แล้ววิปัสนาของพระเจ้าไม่อึดอัดไม่ขัดเกลืองไม่รุ่มลง <c oughs> ใช่ไมไม่ไม่อึดอัดใช่ไหมทำแล้วลงโปร่งเบาเป็นอิสระแต่ไม่ใช่เรื่อยๆนะไม่ใช่ถ้าเรื่อยๆไม่ใช่ของพระเจ้าของเราอีกต่างหากนะเราไปเสริมความรู้สึกเองว่าเราจะทําวิปัสนาเรื่อยๆหรือจะปฏิบัติแบบเรื่อยๆแล้วก็ไม่แยกเลยเห็นไหมเมื่อกี้ท่านไม่แยกเลยท่านพร้อมจะกลับเข้าจเจริญสถมถะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อท่านอ่อนเอะ แล้วเมื่อท่านแข็งแรงแล้วท่านก็ออกจากสมถะแล้วก็จะเล่นวปัสนาท่อถามว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วกําลังใจก็มีใช่ไหมและความมั่นคงก็มีสัมมาสัมพุโทโธก็ชัดวิปัสสนาก็ชัดถ้าชัดในลักษณะอย่างนี้แล้วน่าเดินใช่ไหมเพราะการเจริญวิปัสนาแล้วไปอย่างความป่องเผ้วไปอย่างความอาถรรพ์ไปอย่างมีสารณะไปอย่างมีหวังไม่ได้ไปอย่างคนหมดหวังไม่ได้ไปแบบคนหลักรอย หรือไม่ไปแบบลมๆแรงๆเนีไม่ใช่ไม่ใช่ไปอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องน่าคิดก็ก็ไปคุยไปวิจัยไปไปไข่ควนไปพิจารณานีนี้เป็นอย่างนี้ส่วนในหลัก ต, ต่อไปก็คือในออจักขุวิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมนโนวิญญาณอันนี้คือเป็นกลุ่มของวิญญาณนักขันหมดเลยแต่เพราะว่าด้วยอายตทนะอาจจะต่างนะเออไม่ต่างมันายะนะเหมือนกัน แต่ว่าโดยธาตุเนี่ยจากกุญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุดต่างเนะเพราะเกิดคนละทวารกันคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุแล้วก็มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุพอไปถึงมโนธาตุก็ต่างอยูเพราะมโนธาตุนั้นเอาปัญจทวารละชนะกับสัมปติชนะจิตสองมาวิจัยแทนส่วนมโนวิญญาณธาตุก็เยอะเลยเนาะทีนี้การวิจัยมโนวิญญาณธาตุดยความเป็นทุกข์สัตว์ต้องเอาโลกียามโนวิญญาณธาตุเท่านั้นนีง อันนี้ก็ต้องแยกนะอย่าไปเอามโนยานธาตุทั้งหมดเพราะโลกุตระจิตก็เป็นมโนยาณธาตุมโนยาณธาตุนั้นไม่เป็นทุกข์สัตว์เป็นอะไรเอาเลยสิฮะจากโลกุตระมรรคาจิตผลจิตนะมรรคาจิตผลจิตนี่เป็นฮะมรรคาจิตเป็นโลกุตรจิตใช่ไหมแล้วเป็นสัจจะอะไรอะ่ะ นี้ต้องนี่นะตรงนี้ต้องทําความตกลงกันให้ดีเสียเวลาไปเจริญแล้วจะได้ไม่สับส น, นเดี๋ยวสัมมาสมพุทโธไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ชัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็เออถ้าตรงนี้ยังยังไม่ชัดการเจริญก็จะสับสนเลยเออมรคจิตเนี่ยมรคจิตเนี่ยเป็นทุกขสัจจะไหมก็ไปวิจัยเงี้ยใช่ไหมทุกขสัจจะเลยโลกิยาใช่ไหมเป็นสมุททิยะสัจจะไหมไม่ใช่ตัณหาเนาะ เป็นนิโรธาสัจจ์ไหมไม่ใช่นิพพานเองนะเป็นมารกษัตร์ไหมมารกจิตเป็นมารกษัตร์ไหมไม่ใช่องค์มารแปดเนาะใช่ไมไหนไหมแล้วอย่างนี้เขาควรจะเป็นสัจจะอะไรคาว่าสัจจะวิมุตตแปลว่าอะไรก็ต้องมาดังคุยใช่ไหมขนาดว่าสัจจะวิมุตตเนื้ไม่ใช่ทุกสมุทัยนิโรธมารใช่ไหม แล้วเขาควรจะเป็นอะไรทีนี้จะมองถึงในด้านของสังขารก็ยังเป็นสังขารอยู่ไหมอ๋อเป็นหรอือไม่นี่เราต้องมาวิจัยแล้วเพราะ <S <S ทำนั้นมีสองประการไหมทั้งสังขารและวิสังขารถ้าสังขารหมายถึงจิตเจตสิกรูปนี่เป็นสังขารถ้าวิสังขารหมายถึงพระนิพพานแล้วถ้าถามบอกว่ามารรคจิตผลจิตเนี่ย <S <S <S <S เป็นสังขารไหม อ่าแล้วจะเป็นสังขารเนี่ยเอ๊ะนสังขารประหลาดไหมเป็นสังขารแล้วเขามีปัจจตาลักษณะในนั้นไหมมีไหมมีลักษณะเฉพาะตัวไหมแล้วมีสามัญยลักษณ์ไหมมีอนิจจังทุกขังหน้าตาในนั้นไหมควรรอบรู้ไหมควรรอบรู้เนี่ยเอแต่ทําไมเอามาเจริญไม่ได้เขาไม่เรียกว่าเป็นทุกข์สัตว์แต่เขาเรียกว่าเป็นทุกขธรรม ทำที่เป็นทุกข์เข้าใจป่ะเขาไม่เป็นสังขารนั่นแหละเป็นสังขารละทุกข์นั่นแหละแต่ไม่เป็นทุกข์กษัติย์จะาเข้าใจใช่ไหมเพราะเขามีความเกิดดับเ้าเรียกเป็นทุกขธรรมทำที่เป็นทุกข์ต้องรู้เขาด้วยลักษณะเฉพาะตัวก็ต้องรู้สามัญยลักษณะของเขาก็ต้องรู้นะก็ต้องรู้ตรงนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นปริกย่อยจะต้องมาวิจัยกันก่อน ในการที่จะเอามาโนญานธาตุมุยยะตรงนี้ก็เออเข้าใจเลยเนะี่ยว่าเข้าใจตรงนี้แล้วก็โอ้ยเนี่ยจะได้เริ่มเข้าใจแล้วก็ามาวิจัยได้แล้วก็จะเข้าใจบอกอ๋อต้องรู้ไม่ต้องรู้เป็นอภินยิยยธรรมอภินยิยยธรรมนั้นเป็นทั้งสังขารและเป็นทั้งวิสังขาร สังขารนะวิการและขณะนิพพานบัญญัติ แต่ทําไมต้องนํามรรคจิตมากล่าบในขณะ น, นี้ที่หลอกให้เรางงเพราะว่าไม่ใช่มายถึงว่าอะไรนะเราก็จะได้พิจารณาโดยที่เราว่าต้องกลับต้องสร้างสติใหม่พิจารณาไม่อย่านั้นก็ไม่เข้าใจสภาวะของมรรคจิตนะเป็นหลงอยู่ตรงนี้ก็พอเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็นั่นคือพวกจักรุญญาต่อมาพจาจาอจักรพอมโนญาณเนาะ มโนยานอันนี้แปลว่าว่าโดยความเป็นธาตุประการต่อมาคือว่าภาษะจกักขูสัมผัสสาษาโสตสัมผสัสภาษาคนะสัมผสัสชาชิวหาสัมผสัสกายาสัมผสัสแล้วก็มโนสัมผสัสอันนี้นก็คือภาษาเจสิกหนึ่งในภาษาต่างๆเหล่านี้เป็นสังขารขันเป็นธรรมยายตนะเป็นธรรมธาตุเนี่ยตรงนี้เขาต้องวิจัยได้อย่างเนี้นะคนที่เขาวิจัยอย่างนี้แล้วก็เริ่มครอง เริ่มคล่องแล้วก็เห็นรู้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยและตัวเขาเองเป็นเป็นในลักษณะเกี่ยวข้องกับทางจากุธวานยังไงโซตัฐวานกนนะทวาลชิวหาทวานกายยะทวานและก็มโนทวานนี่ก็มาวิจัยลงเป็นทุกขสัจยังไงตันหาที่เป็นปัจจัยเกิดเป็นสมุทัยยสัจจะความไม่เป็นไปของสมุทัยและตัวของเขาเองก็เป็นนิโรธาสัจจ์ปฏิปทาถึงนิโรธก็เป็นมรคนี่ก็ไปไล่ไปตามลําดับไปสาธยายกันที่จริงสาธยายก็ก็ก็ชื่นใจ ใช่ไหมสำหรับคนเข้าใจนะใหม่ๆก็มึนๆเนี่ยนะแต่พอสายทยายไปสายทยายมาก็เริ่มเข้าใจชัดขึ้นอั น, นคือภาษะต่อไปก็คือเวทนาจากักขุสัมปัสสชาวเวทนาไหมทําไมต้องใช้คําว่าจักขุนําหน้าเพราะเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นจากจากักขุสัมปัสสนะทีนี้ผมมองถึงเวทนาที่เกิดขึ้นจากจากักขุสัมปัสสะถ้าว่าตามในยะของพระสูตรอเอาเวทนาเท่าไหร่ เอาทั้งสุขเวทนาทั้งทุกเวทนาแล้วก็เอาอุเบกขาเวทนาเพราะท่านหมายเอาเวทนาในชวนะเพราะในชาวนะนั้นน่ะจากขูสัมปัสสะจะมามุมไหนเป็นอุปนิสิยปัจจัยแก่เวทนาได้สามเลยจะเป็นพวกสุขเวทนาก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้แล้วก็อุเบกขาเวทนาก็ได้ใช่ไหมเช่นเห็นอรูบารม์ปุ๊บมีการประชุมกันก้องทั้งตารูปจากขุย ญ, ญาณจากขูสัมผัส เกิดสมนัติได้ไหมโทมนัตได้ไหมแล้วเกิดเวขาก็ได้ฉะนั้นตัวเวทนาเหล่านั้นก็เป็นทุกขศัตร์หมดเลยเนะเป็นทุกขศาสตร์หมดเลยเวทนาเหล่านั้นมีตัณหาเป็นสมูทยัยตัณหาในพพก่อนนะและเวทนาเหล่านี้นะถามว่าเวทนานี่เป็นกรรมหรือเป็นผลของกรรมใช่ เวทนาในชาวนะเป็นกรรมใหม่เกิดร่วมกันกันกบเจตนากรรมแต่เวทนาในจกักขุอินยานในสัมปติชนะในสันติรนะณะเป็นผลของกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่ามีตัณหาในอดีตสร้างฉะนั้นเวทนานั้นเขาเป็นผลของกรรมในอดีตก็ได้ใช่ไหม เป็นนานาคณิกากรรมาปัจจุบันก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่า